อนุนทูลถามเวลาค่างนิ้ผ่านองค์เจนิส่วนอย่างนิ้ผ่านวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับจังอย่างนั้นเลยเจ้แสดง ว, ว่าไม่ให้คุ้นเลยตังค์สิคณะอนานันดขึ้นตนไม่เห็นไม่ดูให้เลย อ, อนอนดีถ้าเหตุจำเป็นีเห็ น, น, หนมี ถ้าจําเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทําไงอย่าพูดฟังสิโอมีแต่เด็ดๆอย่างนั้นนะ่ะสําคัญมากเลยเอามันน่าคิดมากที่สุดถ้าหากจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่านะนั่นพระนงก็ฉลาดให้มีสติจะให้เป็นไปตามความอะไรลิศณาอยไรกิเลสตัณหาให้มีสติคิดตั้งค่าตลอดในขณะที่เป็นทั้ง เกี่ยวข้องกับเพศอันนี้บ้าจิงจุกมานให้นเห็นไมเได้ยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วไอ้ฝ น, นี่ไอ้ฝนนี่ที่มันขูฟ่ฟอฟอๆมันก็ยังดีขอมันไปอย่างนีเพราะันแม่ใครยุ่งมันใครไปยุ่งมันไม่ได้อย่ายุ่งมันหวานข้าหมาย เขยุ่งกับมันไม่ได้ก็เล่นขอมันบ้างเ ห, ห, หาะเหาะๆเลยไม้เขว่าจะยุ่งของเรานั่นถ้าเรายังฝุนอยู่มันจ่อเลยเล ย, เยมอมจิงเงินวังก้อนไม้พระเท่าไหร่เวลานี้ทั้งพระทั้งเท่าไหร่เดียนเท่าไหร่มันนักเป็นอยู่ไงนั้นล่ะใม่ทราบมันเป็นยังไง ยิ่งซับยิ่งปนกันมาใหม่หนี่หน้าใหม่ด้วยด้วยแยิ่งปลาใหญ่นะ่ะสิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิท แล้จะเชื่อก็เชื่อไปได้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกมจใช่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตาม ทำย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังวิจากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแม่ที่สุดจนแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตา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 อยูเป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทำที่ได้ลินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละความว่าสงสัยกัหมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัย จึงต้องเนะี่ยอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระอาวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสยัย ทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงศัพท์สําเนียมการแสดงอัตธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยปู่ฟังจึงมักสําเร็จหรือสําเร็จมักปุณิพาน รวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำลานีถัดเตียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาโราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำรับตำลาเท่านั้นนี่แหละความผิดกัน การศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้า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 ย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธ ร, รมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสดับรับฟังด้วยความเชือ่อความเคารพรวมใสจริงๆ จ, จากอัรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกตากันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพูทธเจ้าที่จะตรัตรสรู้แต่ละพระองค์ ตามตำนานมินเป็นอย่างนั้นาพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรูนั้น นี่เป็นซึ่งบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้ า, าก็าศาสดาเต็มองทมก็เต็มพระไท่มีแต่ของจริงล้นล้วนสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองอีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนรทั้งหลายเต็มเม่เต็มหน่วยทั้งอากับกิริยาการแสดงออก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 รุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองนมาก็ยังพอดียังพอใช้อพอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเลีวไหลทั้งติดทั้งทิ่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวในสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เป็นรุ่นรุ่นรุ่นพ ร, ระพุทธ เ, เจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนถ้านนานมานานตาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีนณิสัยมีน้อยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนก็ ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวน น, น้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายผ่านพาดำเนินและสอนกันมาหนักผิดกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะสามพันแล้วสองพันห้า้อยกว่าปีก็ครึ่งศาสนานี่ย แต่เราแเาเทียบดูสิทำมากลางปีไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยฝนหัวปีต้นปีจนกระทั่งกลางปีและปลายปีไปเป็นยังไงถ้าปุณฟ้าเป็นฝนก็จะหมดไปหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคําว่าเรียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเรียวแหลี่มแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นเอ มันมีเดือมน้ําต่ําสูงแล้วค่อยเลี้ยวแหลมไปตามเมดินเราดัง่งดาอมาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัดทำถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอือันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความสัตว์ความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็น ลสัมผัสสัมผั์ว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของุทธบวิษัทมีพิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำหลับตำลาเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมนี่ทั้งๆที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละเทเลตมันมีตัวดื้อด้านสันดานสามมันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ ถ้าหาไม่เห็นไม่มีตำลักตำลาดูดเลยมันก็เป็นอีกอย่างนีแต่นี้ทั้งๆ ท, ที่รู้ๆเห็นๆอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝือนออกจากทางคือทางมากักทางผลก็เมื่อฝือนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเ อ, อมามัออกเอาผลนิพพานมาจากไหน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 ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นมาเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านก็สอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามบัตรธรรมแล้วผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยิ่งการฝืนก็คือก็คือการรับทานของสแสลงนั่นเองมันต้องผิดสแสลงกับโรคจนได้และทาให้โรคกำกำเริบไม่สงสัย ความผิดจากอัดรมก็ทำให้ทำในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมตามไปนี้ต่กิดเด็ตั้หาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกหน่อกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้ว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 พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองอเรื่องความขี้เกียจขี้คลานความอ่อนแอความทอแท้เลียวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆัดไม่ควรที่จะไปชิ้นชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็ ร, รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเอง ผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีอยู่ที่นี่เรไม่ทราบว่าความประปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหมู่เพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่ได้แน่ใจนะหรือเป็นทับผีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกัน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 ข อ, อจึงขออย่าให้พบให้เห็นหต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัตินิเรศอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตอนมีอายุทรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศัก์สมบัติปริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชฉลาดสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอา สิ่งโซกโปกโสมมอมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทําลายตนและทําลายเพื่อนฝูงในวงพระจัตจนนาให้เสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งละสายไปเพราะสิ่งเรียวซามนี้เข้าไปทําลายให้ภาคนมัตระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริญาตผมก็เคยได้เรียน อยู่กับคณะปริยัตยผมก็เคยได้อยู่จะพูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มเต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงจริทางด้านปริยัตยเราก็เข้าในเรียนไม่ว่าวัดราชวัดหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นแหละอยู่ไปศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่ เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี่ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจิงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่ การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้จึงไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนํามาแสดงเหยียบย่ำทำําลายหัวใจตนและกระจายไปกระทบกระเทือนแกต่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือน อันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นฆาตศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทําไมจริงต้องให้มันมาออกแสดงลิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเรานี่นอกจากจะให้มันบรรลัยลงไป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 กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไปของกิเลสโดยแท้โทสักินานฟังสิความไม่พอใจความโกรธความชุนเขียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสักินาไฟคือโทสัมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแทงลิบออกไปจากจุดนั้น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 แม้เขาก็ผิดแต่เราก็จะแดงความผิดขึ้นเทาเราอีกแล้วก็ทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ใช้สติปัญญาสังเกตจอดรู้อยู่กับ ต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไรก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลําดับลาดาไปตามดังที่ทำเทนว่าเป็นเครื่องค่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องขุ้เขียหากิเลสมาเผาเราโดยท่ายเดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสีย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 ต้องใช้ความพินิษพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกหย ก, ยกแล้วก็ว่าตัวทําความเพียนเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออ่ออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆ วิญญาณความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในกิจใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความพาคเพียร น, นี่แหละทำมาต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความพาคเพียรและระหว่างของสติโลกของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้นะี่ย ไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นภยัยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภยัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยจากตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวออได้โดยลำดับลำดา ความฉลาดแหลมคมใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ผ่านการต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาเอาจนกระทั่งถึงขั้นมันบันไหลไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริญญาของกิเลสยืน่นความเสศสันต์ปัญญหลอกให้เท่านั้น ก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนักก่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นค่าสูตรตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกกาบถาดคือกิเลสนี้แล้วทมนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเรียงไกลโดยแท้ ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสกสรรตั้นยอตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิต ท, ที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนคนโง่เข่าบอกปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของ ของกิเลสมันก็ต้องส่อหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทําโลกให้ทั้งทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุดเลยกานโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลๆๆําดับลำดับเราจะเสกชันตั้นยอว่าธรรมมีไม่มีก็าตามทํามในหลักธรรมชาติ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 กิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดล้อมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกาธาตุนี้จึงอยู่ตามนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบหัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นํามาต่อกันกับกิเลส ประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแลจึงชื่อว่าเป็นผู้ชนดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานสาวกอรหันละหันถึงจะไม่หอเหินเดินฟ้าก็าตามเถอะมันคือเลิศอยู่ภาะในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเส็กสรรตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโศกปลวกโสมมลสิ่มเดือดซามทั้งหลายสิ่งต่ําช้าหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอํานาจแห่ง ความต่ำช้าเร็วสามนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โพรขึ้นภายาจิตใจแล้วผุดตัวขึ้นมาได้ดีออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันไปจนสิ้นซากภายาจิตใจไล้นั่นถึงจัดว่าฉลาดท้าจะจัดนะแต่ห ล, ลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาด ท่านไม่ไปสำคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นทช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนเสริญก็ตามมาดินทาก็ตามน้าหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ลดนออกหมดไม่ค้างนี่จิต ที่เต็มอัดเต็มทมแล้วก็เหมือนกันทมเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคํามนุเริญความนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่จะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลับไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแทจะไม่มีคาว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้น ดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมาชาติทั้งมันชั่วก็เหมือนกันพระนินทาสนะเสริญมาก็ตกไปรพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะนี่ในหลักธรรมบทเรียนสามประโยชน์นี้ต้องผ่าน นี้ น, นี้จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตรมคือคิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของประรหารฟังย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้าที่ตกลงบนใบบัวและติ่งตกไปเช่นนั้นเหมือนกัน โดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสพอปรากฏขึ้นหัดดับไปตามัธรรมชาติของมันเช่นนั้นถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆเนาะที่เลสอะไรที่จะมาตกนในใจของพระหันและถึงได้ติ้งตกไปอย่างนั้นละ่ะนั่นนี่หมายถึงว่า ฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปือกตมคือกิเลสตั้งเหนือจิตฝาหลานนั้นก็คือหมายถึงว่าขันที่แสดงออกมาหยัดยับชั่วขณะขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิม น, นั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นเป็นจีเดีาของขัน ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารลึกเป็นต้นนะความตรุงชิดเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของปะหลานย่อมติ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลยมั น, นเป็น้งอะนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันนั่นแหละ แต่เป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหน ไ, ไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปัยาสร้างขาลาันั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปยาสรางขาลัจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะยกจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระรามไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบ พอยกขึ้นมาเทียบได้ ก, ก็คือว่ากิเลสในขันทนั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันแสดงตัวยับยับยยัอย่างนั้นพอให้จิตรับทราบรับทราบนะแลดับไปดับไปเพราะคําว่าจิตจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทรา บ, าร บ, าบชั่วกว็รับทราบถ้าว่าไม่มีไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่พายใจิตใจแล้วจะติดแต่ยินดีจะยินร้าย แต่พื้นฐานของจิตจริงๆ น, น, นั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความมีนิเป็นเพียงว่ า, ารับทราบดีชั่วดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชางังรับทราบรับทราบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าว่าเปือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตผลานเดาไมาตั้งอยู่ได้นานทิ้งตกไปในธรรมดีระน่อมหมายถึงอันนี้นี่มีในคำภีรแล้วก็ได้คิดแต่ก่อนเอพระลานนี้ว่าสิ้นกิเลสแล้วทําไมจึงต้องนี่กิเลส เปกตมคือกิเลสนั้นตั้งอยู่ในจิตปัหาแล้วย่งมคลีงตกไปอย่างนี้แหละนี่แหละแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเด็กเข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทําให้เด็กคิดเรื่องแบบนี้เแหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่คิดแค่กิจยาของขันที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นไง พอสัมผัสในขนาดนั้นขนาดนั้นดับไปเองดับไปเองไม่ต้องมีใครบ า, บารังคับไม่ต้องในสลัดเนี่ยเช่นเดียวกับน้ําที่ท่านว่าน้ําตื้นลงบนโดยบัวตกลงบนโดยบัวจะต้องติ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใรบัวก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ถือทราบทราบน้ำํำไม่ได้ตั้งใจสลัดแต่มันเป็นหลักธรรมะห้าขมันอย่างนั้นในท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่กรณีทำ ข้อบทนันเหมือนกันว่ารูปรูปความพิสูจน์ทั้งหลายจิตจิตเดิมแทบเป็นปอภัสศอภัสสอนท่านว่านี้แต่พ่อขี้เลีที่จรมาที่ทําให้จิตเจ้าหมองนี่อันนี้ก็มีในวงบทจิตปริยัตเถียงกันซะตาดําตาแดงไอ้เล่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็มันเรื่องอะไรอะก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันย่างคําก็ไม่เห็นกันหน้ากันนี่มันจะไปะหาสงสัยกันยังไง เรื่อต่างโกนต่างหลับตาลัเสียงกันก็เท่านั้นแหละแต่ <c oughs> เวลาฐานทางด้านปฏิบัตินี่มันก็เข้าใจของมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมานาเข้าใจเป็นจิตประพสสอ น, นจิตจิตประพสสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นวันนี้อยู่สองภาคนะคําว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่ไม่มีเครื่องมือ ออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ก็เหมือนยังเข้าปฏิชนที่วิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นปฏิก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่ตามตามตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใส ด, ด้วยการได้ขัดได้เกาอะไรแหละหมายเอาถึงความสงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออก ตาหูจมูก ด, ดิ้นกายก็ก็ยังไม่แก่กร้าหรือว่างไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นเรายังไม่ให้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึง่งนะที่อันสําคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตตวิชานี่พงสัยแท้อันนี้นะ่ะเออมันเห็นกับชัดอย่างนั้นสิการปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามไปเราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละ เรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบรตารัดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเราไมาเห็นคนเดียวเราจะสงสัยตัวยังไงว่าวัดป่าบรรทัดไม่มีได้เหรอก็ต้องยอมรับว่าว่ า, ว า, ว า, วามีทันทีเลยเนี่ยหลายเดียวเราเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสกิร์พยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูาพับเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคําว่า พระพัดสอนพระพัดสอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้พิสูจทั้งหลายติด่ะก็สอนพิสูจทั้งหลายแท้ๆจะไปสอนอะไรถึงโน้นจิตอะไรอวิชาาวชาไอจิตของธรรมดาธรรมดาก็ที่มันจมกักอยู่โน้นไปพูดหามันถามพูดพูดมันทําไมตั้งแต่ธรรมะในบางแง่มี่คนถามพระองค์ยังบอกว่าเป็นอาจินไตไม่ไม่ทรงรับสั่งอะไรเลย ดูที่กิดนี้เดิมแท้ๆมเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอาจีนไตตอบไปทําไมเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับน้ําย่อเท้าเราจะไปถามสกุลนามอยู่รงกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันเน่าเฟะไปหมดหรือเปล่า ก, การรีบถอนน้ําออกจากเท้าบ่งน้ําออกจากเท้าอันไหนดีอยู่กั น, นการบ่งน้ํานี่ บ, บ่งน้ําออกจากเท้านั่นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง กว่าที่จะไปถามสกุลหนามมามาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความที่หายจากตนเราฝ่ายไม่ประโยชน์อะไรนั่นนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิต ท, ที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พระพุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอจินตจไตยอย่าห้ถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบก่กนี่แหละเนี่บตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้แหละเช่นพระพุทธสอนนี่สอนที่สืดทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอโน่นจิตที่ นอกเหตนอกดแดนนอกเหตนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนสมยัยนี้เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านมาในบรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกตัปปะสอนเฉยแต่นี้เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตพระพาสสอนนี่คือจิตตอวิชาพระพาสสอนตาหูจมูกจีนกายหมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยิน ไม่สามารถที่จะซึมซาบเอาความดีความชั่วความรักความชงเข้าเข้าไปสังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะนี่อทางเดินของอวิชามันออกไม่ได้คุณง่ายง่ายเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั่นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอาการอาการอันนึ่งเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตเนี่ย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 ความป้องสยที่จิตชาระได้ความป้องสยที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยองระยางกับตาหูจมูกเนื้องายรูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความป้องสยอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สืบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกินรถก็ไม่ประสานกัน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยการหักรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันขันขันแปลว่ากองแปลว่ามวดัตแปลให้มันตรงกลงก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณา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 อวิชาที่จอมกษัตริย์วัตจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราว่ารูปเสียงจิตน้วเครื่องสมาร์ตตาหูจมูกยิ่นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันนับเป็นเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยากมันมันจึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้ายาว่าจะรูปเสียงจิตด้วยกับต่างหูจมูกยิ่นกายผสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ผสานอยู่บงเมื่อมันรู้มันรู้จริงๆอย่างนั้น แต่จิตกับอวิชานี้มันผสานกันเราไม่รู้นะนี่สําคัญมากที่สุดนี่แหละที่เอาระพัดสอนประพัดสอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัดสอนที่เคยทอกันไปก่อนแต่ปริญาณมานะถ้าจิตถ้ามันพองใสจริงแล้วมันจะเกิดทําไมก็มันพองไสมันจะเกิดทำไมก็มันพองไสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่นี่มันก็มีที่ตอบกันพับทันทีเลยตอนพองใสนี่มันพองใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปทั้งๆั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์ ยีกิตบริสินี่ไม่ควรจะเกิดแล้วที่นี่ไม่เกิดมันว่าจะไม่ควรไม่เกิดร้อยทังร้อยเปอร์เซนยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางมันมันตัดมันขาดสะบัดลงไปจนกระทั้งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะอะไรไปเกิดมันเห็นชัดชัดอยู่นั่นน่ะเนี่นั่นแหละที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดดังนั้นมันกิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดกา พอเข้าภาคปฏิบัติแล้วมัยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นถนัดพระพัฒสอนพระพัฒสอนมันก็เป็นอย่างนี้เองวะ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์นี่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคําว่าพระพัฒสอนมันไม่มีเนี่ยคำผ่องใส่ไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคำผ่องคำว่าผ่องใส่กับคําบริสุทธิ์เนี่ยนั่นต่างกันให้รู้โดยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดี นี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี่ก็เอาสีปฏิบัติี่นี่เป็นสดๆร้อนๆเนี่มีอดีตอนาโคตที่ไหนมันคือล่าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับสิดชอบใจของเราแตแท้วิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้่ะนะตั้งใจพูยปฏิบัติลงไปสิให้มันรู้มันเห็นเนี่ยแล้จะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหม มัญหาเหตุด้านเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก็ความทุกข์ความยากความลําบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี้ทั้งนั้นที่เดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงก็เกิดแล้วร่วมความทุกข์ต้องติดแนบไปตามพบอย่าพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียดก็ก็ต้องมีความทุกข์ละเอียดอยู่นั่น พบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเป็นถมอันนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังครองอยู่กิเลสครองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นแหะจากกิเลสส่วนละเอียดก็ทําทุกข์ให้ละเอียดแจกสัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของกิจนั้นท่านจริงกล้าพูดว่าเวทนาสไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจเลยฟังซ์ พุกเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันเท่านั้นรูปขันนี่เท่านั้นไม่สามารถที่เข้าสู่กิตของประจุบันได้เลยในเวทนาทั้งสมนี่กิตเวทนาจริงไม่มี น, นั่นฟังแสีเอาอะไรมามีฮะก็เป็นประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมติอุยประการทั้งปวงแล้วอืมเวทนาอนิจจเวทนาอนัตตาว่าทำไมอนิจจทุก ข, ขังหน้าตา น่ะฟังสิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นไดชัดอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวโมตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรื่อนี้เป็นสมมติแต่มันเห็นไดชัดเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลขนาดหมดภาระตั้งแต่ขนาดที่กิดได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็ รับผิดชอบอยู่เพียงขันอันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันอันนี้แหละเป็นภาราฮาเวปัญจขันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นพาราหาเวปัญจขันธาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี้พอจิตได้สลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะฉนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้น ความรับผิดชอบไมเฉยท่านไม่ได้ยืดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับอิทธิ น, น, นี่ก็เรียกว่าพาะาฮาเวย์บรรจากกันท่าไปในแง่หนึง่งคือแบกความรับผิดชอบนั้นแหละเอาไว้ถึงมาแบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวก็หายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี่ก็เป็นเรื่องที่รับทราบกันอยู่โดยดีโดยดี ด, ดีเพราะอยู่ด้วยการทำไมจะไม่รับทราบกาัน ต้องกระเพิ่มกันอยู่ธรรมดารับทราบรับทรา บ, บ, บแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นที่นี่บวชลงมาสู่บวชลงมาสู่ถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหาหนี้พานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านี้พานว่ะอือแล้วหนีพพานวัดผ่าศูนย์กลางยาวเท่านั้นยาวนี่ลึกนั้นี่มันบ้าเท่านั้นแหละเออไปผ่าศูนย์กลางที่ไหนดูนหัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนเออ ศูนย์ขอกที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดผ่าตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าท่านเฮ้านเห็นชัดชัดสิยันได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิต ด, ดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งทั้งทิถียงวันทั้งข้ามแต่ต า, ตาไม่ลืมมันสิ มันไม่เห็นนี่ใช่ไหมพระราชาบอกปรดลงมาสู่ปลโลงมาสูขแสนสบายแล้วอยู่นั้นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคําว่าการสถานที่เวลาเวลาท่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านที่ว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลําบากมาด้วยการเกิดเกิดจะตามมากี่พบกี่ชาติตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่ไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิดตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะ กระดังที่กล่าวว่าวัดป่ า, ว, า, ว, า, ว, าปวันต่างในใค่ายเมื่อกล่าเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตา่างเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่บอกว่าสันติิโกสันติโกโละเอียดมากนะําว่าสันติิโกเนี่ยละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพางนั่นถึงนี่แหละศาสนาพระเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลย เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารอที่ว่าเป็นศาสนามามตั้งเดิมเดิมตั้งแต่พระเจ้าองนั้นองนั้นนั้นนั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อหงใจไม่มีทางสงสัยอนี่จะเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอัศจรรองค์ปายเป็นบารมีโดยแท้ เพราะเพราะเป็นพื้นเพยอันดีอันถูกต้องดังามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ไอ้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราเราทั้งท่านนี่แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมายนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี้แหละเวลามันรู้ทั้งทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละ พูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยแล้วเราจะจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบอกเกิดจากเก็บตายบอกความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิดตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมคิปหายมันน เ, เข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแข่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดี มันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทํากรรมกรรมการทํากรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้า ง, างนั่นแหละจะว่าไงเออเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากข้อยห้เพียงไรไม่จะเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจะเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่นี่รัต์ทั้งหลายได้เกิดเกิดไม่เพงเกิ ด, ดเฉยๆตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามขนแห่งของอ วิบา ก, กรรมอีกด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าระมกไว้มากคนนั้นนก็ไปเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าระมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นทั้งซินี่แหละหลักธรรมชาติแทๆ้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจินไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกแค่สอนให้เป็นไปตามนั้นเท่า น, นั้นอย่างนารกมีอย่างเนี้ยใครจะไปลบล้างนารกได้หรพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตัดสรูป ม, มากกี่หมู่กี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วองค์ไหน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 พระ อ, องค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทําประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ถ้ามันสมมนนีิถ้าหากว่าพระ อ, องค์แต่พระพุทธเจ้าแต่และพระ อ, องค์จะสามารถทําลายนรกได้นะอันนี้มันทําไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่จ้า <c oughs> <c oughs> ปากมันนี่ <c oughs> มันแก้ไมาได้ก็ต้องหลีดสอนให้หลีนดถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้าง ให้แก้ให้ถอดให้สอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นเห็นมาล่ะอันนี้ให้ให้ให้สอนสอนให้แก้ให้ถอดให้สอนให้ลอกให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมนี่ยได้สอนวิธีไม่เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่เลนนั่นเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดมันก็รู้กันอยู่ถอนที่เลนออกหมดเชื้อทางพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนังปรามังสุขังเท่านั้นเอง เหนื่อยแล้วอะโอ้ทำนีน่